อันสาทุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาพบกับท่านในเรื่องโชติกาเสรีฐีตอนจบวันนี้จบ ก, กันแน่ความจริงเมื่อวานมันใกล้จะจบแต่ก็จบไม่ลงเพราะเรื่องมันเหลือสัน้นแต่สั้นถ้าแย่พูดไปมันก็ไม่ทันเวลา เลยหาเรื่องอื่นมาทวงไปทวงมาพอเวลามาันจะได้ก็เลยจบไม่หยุดเสียวันนี้ก็มาว่ากันตอนจบขอกล่าวต่อไปนิดหนึ่งว่าพระราชาไม่ขอไม่ถอดแหวนไม่สามารถจะถอยไวเขาต้องมาหาเศรษฐีได้เป็นอันย้อนหลังไม่หน่อยเป็นอันว่าเมื่อทั้งมาหาเศรษฐีกล่าวว่าสมุติเทพ แม้พระราชาตั้งพันพระองค์ก็ไม่สามารถเพื่อจะยึดเอาเรื่องของข้าพระองค์ได้ในเมื่อข้าพระองค์ไม่ปรารถนาจะให้ตอนนี้เท้าเธอส่งกลิยว ก, ก, ก็นะก็จึงได้ทรงตัดว่านี่หมายความว่าท่านตั้งใจจะเป็นพระราชาจะเป็นขบถอย่างนั้นใช่ไหม แต่มหาสศถียันได้กราบทูลว่าข้าพระองค์ข้าแต่พระองค์อะไรเนี่ยข้าข้าแต่สมมติเทพข้าพระองค์ไม่พึงปรารถนาจะเป็นพระราชาเพราะพระราชาเมืองเดียวนี้ต้องมีองค์เดียวถ้าข้าพระพุทธเจ้าเป็นพระราชาด้วยเขาจะกลายเป็นพระราชาสององค์่คกันไป เรื่องการเป็นพระราชาในขบององค์ไม่พึงปรารถนาแต่ถ้าว่าจะเป็นพระราชาหรือว่าเป็นโจรก็ตามนั้นด่ากันชัดๆนะว่าทรัพย์สมบัติของข้าพระพุทธเจ้านี่จะเป็นพระราชาหรือว่าจะเป็นโจรก็ตามแต่ความจริงพระเจ้าชางศัตรูเวลานั้นมีสภาวะเป็นโจร ตำแหน่งเป็นพระราชาแต่ว่าสภาวะที่ธรรมและการที่ทําเป็นโจรเหมือนกับคนที่ก็าแต่งตั้งมาปกครองชาวบ้านมีหน้าที่ตำแหน่งหน้าที่มีเงินเดินมีเมียเลี้ยงมีบ้านให้พักแต่แต่ว่าปล้นภาเสียก่อนปล้นรายได้ปล้นความสุขของประชาชนอย่างนี้คนประเภทนี้มีสภาพเป็นโจรเหมือนพระเจ้าชาติศัตรู อันนี้ม่ได้ดา่าใครนะแต่ก็ไม่ได้กลัวใครเหมือนกันถ้าคนเราตัวขึงกลัวการสะเทกอกมันก็คมเหงงนอยู่ตลอดไปทั้งนี้เพราะอะไรเพราะคนพูดเนี่ยถูกคมเหงงมาทุกแบบทั้งคนนุ่งกางเกงแล้วก็คนไม่ได้นุ่งกางเกงคงเอาไว้ผมและคนไม่มีผมคนโกนผม เคยถูกเจ้าคนประเภทนี้ที่มันเลวมันคมเหงมาซะเยอะถูกคมเหงมาแล้วก็วางเฉยตลอดมาจนทั่งหมดความกลัวแต่ว่าถ้าจะกลัวถ้าเข้ามาตามกฎหมายตามมาตามพธรรมวินยียนี่ยอมกลัวแน่กลัวเพราะอะไรกลัวดีของเขา แต่ว่าถ้าเขามาเร็วเมื่อไรก็เป็นทำใจเหมือนกับโชติาเศรษฐีนี่แหละไม่เรื่องความเร็วเรวนี่ไม่มีอะไรน่ากลัวเพราะคนเร็วมันเป็นคนที่ขาดอยู่แล้วนี่มันไม่กล้าทำอะไรตรงไปตรงมาถ้าเก่งจริงมันต้องทำตรงไปตรงมาตามกฎหมายตามประธรรมวินยัยมีคนดีนี่เขาตั้งอยู่อารมณ์อย่างนี้ ถ้าว่าคนที่ไม่ตั้งตนอยู่ในเราทำทานได้กฎหมายแล้วก็ทำไปเป็นไหนไม่ต้องกลัวนี่จะไปกลัวอะไรกันไอ้คนเราไม่เกิดมาแค่ตายนี่ไม่ได้ชวนให้ไปชกไปตีกับใครนะคนเราเกิดมาเนี่ยมันแค่ตายถ้าเราจะไปนั่งยึดถือห่วงใ่ชีวิตยอมให้เขากระทืบเล่นนี่มันไม่สมควร แต่ความจริงกระเทือบ้วยเท้านี่มันเจ็บน้อยนะแต่กระเทือบด้วยความชั่วนี่มันเจ็บมากเจ็บเพราะอะไรเพราะใจมันจำใจมันเจ็บกระเทือบ้วยเท้าเท้าวบวมหลัง ล, ละหายบวมแล้วก็หายเจ็บแต่การกระทบกระเทือนใจนี่ทีมันไม่อยู่เสมอมันไม่หายให้เราก็ไม่ต้องกลัวใครกระทือบเราไม่ต้องกลัวคนเลวคนเลวกลัวทำไม เพราะไอ้คนเลวเนี่ยเราไม่ต้องไปกลัวแล้เราก็ไม่ต้องไปแช่งบุญวาสนาวารมีของเราวันมีเขาคิดจะฆ่าเราเขาตายเองเขาคิดจะทาร้ายกานแกล้งเราเขาก็บรรลัไปเองนี่อาตมาเคยเห็นมาแล้วไอ้คนยากจนนั่นไม่เป็นเราบางคนมันอยากจนแกล้งมา อะไรไม่แย่งชิงความดีของชาวบ้านคือเขาสงสารชาวบ้านตราธนายาสงเคราะห์ให้เป็นสุขไปแจกข้าวแจกของในคนจนจริงๆเขาให้ของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระจีรีหัวของท่านนายกรัฐมนตรีของชาวบ้านนี่ก็ช่วยเข้ามาต้องการยาสงเคราะห์คนจนแต่คนที่มั่งมีทรัพย์สินอยู่บ้างมันเป็นคนรวย ขนาดมีรถสิบลออ้อทั้งสามคันนี่บอกว่าฉันจนเจ้าค่ะผมจนครับก็าบอกว่โยมอย่าทำอย่างนั้นเลยปล่อยคนที่เขาไม่มีกินไม่มีใช้ได้กินเท่ของเล็กน้อยเขาฉันก็จนเหมือนกันเจ้าค่ะผมก็จนเหมือนกันฟังไปฟังมาก็เลยนั่งใน่ใจบอกเออให้เจ้าคนคนนี้มันอยากจนนะ ก็เลยบริการแกเจ้าหน้าที่บอกที่กบเจอทั้งหลายคนที่ยากจนเราก็แจกนะวันนี้นะถ้าใครเขายากจนเราก็แจกแต่คนอยากจนมันจะต้องจนจริงๆภายในะไม่ถึงสองเดือนจะอย่างช้าความจริงก็ไม่ได้แข่งกับโูดไปอย่างนั้นเองเหตุกรรมที่เป็นอกุศลมันย่อมให้ผลในปัจจุบัน ดูแต่คนคดคนโกงเราเถอะไม่มีใครเขามีความสุขหรอกเรานึกว่าเขามีความสุขแต่ใ จ, ใจมันเป็นทุกข์เต็มบอารมณ์เป็นนั้นว่าเวลาการพาการผ่านมาเพียงเดือนเดียวปรากฏว่าคนที่อยากจนมีรถสิบร้อยอยู่สามคันหายหมดขโมยลักหมด ถ้มวยลักหมดแล้วทำยังไงต่อไปไม่ชาก็มีคนมารับถ่ายรับถอนคันหนึ่งและกูละใช้เงินเป็นแสนเพราะว่ารถคันหนึ่งเนี่ยมันหลายแสนเกือบล้านแต่ค้ามารับถ่ายรับ ถ, บถอนคันหนึ่งประมาณสองแสนเพราะรถเยังใหม่มอบเงินให้ไปสามคันหกแสนแต่ภายในไม่ชาเอาไปแล้วเจะนั่นไม่ได้ถ่าย เ, าเอาไปเลยหาย วนนี้สุดจนแล้วก็เกิดจันเท่านี้สภาพพันหัวเฮียท่านยังไงไม่มีเงินไม่มีทองใหญ่จริงก็ต้องเล่าเถือนวันนี้สุดตํารวจจับเข้าวตารางอีกตุกต่าทุ่มไหมนี่เด็กคนอยากจนมันไม่เป็นไรใครเขาอยากจนก็เขาจนไปอาตมาไม่ได้แข่งตันนี้คนที่มันใหโกงเราก็เหมือนกันท่านหลายมันจะเลวยังไงให้มันเลวก็มันไปเราจะเป็นเลวทําใจเป็นปกติ คิดว่าเงินของเขาเราหาได้ด้วยความสุจริตการทุจริตไม่มีสำหรับเราใครมันเอาเงินของเราไปด้วยการทุจริตไปมันก็เผาใจามันเองที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าราคาคิไฟคือราคะคือการอยากได้โทสัคิไฟคือโทสะถ้าเราไม่ให้เ้าโกรธเขาก็ร้อนเอง โมหะคีไฟลงมันก็ไฟคือความหลงมันก็เผาผลาญให้ความหลงของมันให้พ่นาศเองเห็นไหมไอคนที่กงกงเขามันพ่นาศไปดังแยอะแยะแล้วอยู่มันก็ไม่เป็นสุขออกแล้วก็ไม่เป็นสุขตายแล้วก็ไม่เป็นสุขไปในรกนี่พูดเรื่องอะไรกัน่ะเรื่องมันเหลือเดี๋ยวเดียวนี่ที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่อะไรเรื่องมันจะจบแต่คืนไม่พูดแล้วก็เวลาไม่พอ ไม่ไม่พอกับเวลาย้อนใหม่เมื่อพระราชาได้ฟังอย่างนั้นว่าถ้าเขาบอกว่าทรัพย์สมบัติของเขาเนี่ยถ้าเขาไม่ปรารถนาจะให้เชิญยกทัพมาสักสิบได้พันทัพมันก็ไม่ได้พระราชาจึงถามเขาว่าท่านอยากจะเป็นพระเจ้าบผ่นดินเลยะก่ขบถเลยเขาบอกว่าข้าพระเจ้าไม่ต้องการไม่ได้ขบฏแต่ถ้าว่าราชา ถ้าเบอกว่าจะเป็นพระราชาก็ดีหรือโจรก็ดีแหมไมันน่าจะพูดแบบจะพูดวแบบ่าไอ้โจรอย่างท่านแต่เราพูดอย่างสุภาพนะว่าจะเป็นพระราชาก็ดีหรือว่าโจรก็ดีถ้าสมัยนี้คนบอกว่าจะเป็นข้าราชการก็กดีจะเป็นโจรก็ดีฮหมดีมากเดี๋ยวไม่มีใครก็ใครมาจับอยากจะจับก็เชิญ อย่าลืมไมเ่เดียว่าใครบอกอยเป็นข้าราชการก็ดีแล้วข้าราชการที่เป็นโจรก็ดีข้าราชการที่ดีเขาไม่ได้เป็นโจรเขาไม่้ปล้นเขาปฏิบัติตามระเบียบวินัยตำรวจทหารมีระเบียบวินัยข้าราชการมาพลเรือนมีระเบียบปฏิบัติมีกฎหมายเพื่อให้ปฏิบัติถ้าทําอะไรนอกเหนือไปจากนี้เขาถือว่าโจรในเข้อบองแบบ ไอ้อย่างนี้เคยพบมาตตงเยอะเวลานี้หนังสือพิมพ์เขาโชวหน้ากระดาษทวนไอ้คนที่ปราบโจรมันกลายเป็นโจนรตัวเองคือโครเวลานี้แล้วก็มันก็มีอยู่ในที่ทุกสถานแม้แต่วัดข้อธรรเองมันยังย่องเข้ามาเลยเราแจกเข้าสุขสารแจกของให้คนจนตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้ตามเจตนารมณ์ของท่านนายกคือพลเอกเกรียงศักดิ์ชมานันในกณะทหารฝ่ายกอระบกลังและบรรดาประชาชนนั้นหลายช่วยกันม า, มากมายแต่ไอโจรใจร้ายพวกนี้มันหาทางการแกล้งเดริการทั้งปวงให้มันร่วมมือมันไม่ร่วมมือนในการสงเคราะห์ประชาชนดีไม่ดีของของเราบรรทุกเข้าขุมมันไปกลับเข้ามาส่วนที่เหลือไม่พอ มันหายไประหว่างตามเป็นข้าวสารเป็นสิบสิบถังนี่มันยังหายไอ้พวกโจรจังไรนี่มันมีอยู่ในที่ทุตสถานแต่ได้ว่าถ้าของมันทุกรถทหารไปรับรองไม่มีหายแล้วนี้เดี๋ยวนี้พวกนี้ทํางานตรงมาตรงไปส่งรถคนจนจนกันจริงๆไม่มีใครมาเถียงนี่สถิตย์เขาดีจริงๆมันมี พแต่หายก็ดีพวอตารวจก็ดีที่เขามีที่ดีจริงๆสาหรับที่อยู่อาตมาหมายกว่าที่ทำงานร่วมกันมีครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ยี่สิบสองสิงหาคมอาตมาขอร้องไปทางตารวจว่าต้องการจะรู้คนจนทั่วจังหวัดอุทัยธานีว่ามีคนเท่าไหร่คอยรีบสารวจสวนต้องการรู้วันที่ยี่สิบ้า เพื่อนร้อยจำนวนเอกไปจวบทำดีกุลอะไรก็ไม่รู้เป็นเป็นสรวัตรปกครองป้องกันโทรศัพท์มาบอกหลวงพ่อครับมันก็ชั้นเกินไปทำงานไม่ไหวก็เลยบอกว่าทหารนะ่ะที่โนนที่แยมเพอแม่สวยกามเพอพันทราบข่าวว่าเขากั้นถนนเพราะความจนขออาหารชว บ, บ้าจกิน โทรศัพท์แจ้งไปที่กองมระชาการอาหารสูงสุดขอให้สั่งทหารกองพลสี่ส่วนหน้าเฉพาะกิจที่เชียงคําตำรวจด่วนจา ก, กวันโทรศัพท์เข้าไปเป็นวันที่สี่เขาแจ้งยอดมาได้ทันทีแต่นี่ตำรวจอุทยัยธานีถ้าทำงานตั้งแต่วันที่สองถึงที่ยสห้าส่งบัญชีไม่ได้ก็สแสดงว่าไม่ใช่ตำรวจ กินเงินเดือนเสียงเงินเดือนเขาชาว บ, บ้านเขาก็ไม่ควรจะอยู่ในตำแหน่งนี้ให้เสียให้เสียงเงินชาว บ, บ้านพูดล้อท่านเล่นแล้วก็นึกว่ามันเวลากระชั้นไปจากวันที่ยี่ิบสองถึงที่ยี่ิบห้านี่ต้องส่งบัญชีก็ยากแต่ที่ไหนได้หล้วจากวันที่22ิบสองพอวันที่23ิบสามเวลาประมาณเก้าโมงเช้า ท่านร้ยตำรวจเอกปจวบสวัสดปกครองป้องกันอำเภอเมืองเจ้าทัยธานีเอาบัญชีถือโยวมาแล้วตำรวจทํางานกันตัวเป็นคนทั้งกำไวใ น, น, นังสื่อทาได้แล้วถูกต้องตรงนี่ที่ดีเขามีไอ้ที่เราเลว ม, มันก็มีจะไปด่าเขาด่านะไอ้คนในั้างแบบอะ่ะข้าราชการพลเรืงนข้าราชการตำรวจข้าราชการทหาร อย่าไปชี้ข้าราชการคนเลนเลวข้าราชการตำรวจเลวข้าราชการทหาเรเลวนี่ยายายังไม่ถูกมันต้องด่าเป็นตัวตัว่าไอ้ตัวนี้มันเลวไม่ใช่ตารวจเลวคนที่เป็นตำรวจคนนั้นมันเลวคนที่เป็นทหารคนนั้นมันเลวคนที่เป็นข้าราชการคนเลนคนนั้นมันเลว อย่าไปยกย่อว่าตำรวจเร็วทหารเร็วร อ, อะไรกันรเร็วไม่ถูกต้องบอกไอ้คนที่มันเป็นคนนั้นมันชื่ อ, อยังงั้นมันเร็วมันถึงจะถูกเป็นอันว่ายามพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยเป็นพระราชาแต่ว่ามีสภาพเป็นโจรนนว่าจะไม่ด่านะไม่ยุ่งให้ปากันเสอกเวลามันเยอะไปเรื่องมันเหลือน้อยก็หาเรื่องโผล่มามากๆดีไม่ดีแครกา อาอะไรก็แทะปากจนชิ้นเลือดออกจนได้ไม่ช้าระวังให้ดีนะจะมากระแทกกันเฉยๆไม่นด้นะมีมือมีเท้าน่ะไอ้ขันห้านี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราน่ยมันอยากจะชกใครหรือไงก็ตามเรื่องเขามันจะไม่ได้ว่าอะไรมันน่ะไม่ได้ห้ามมันขี้เกียจมันแกแล้วก็ห้ามไม่ได้มันป่วยแล้วก็ห้ามไม่ได้มันตายแล้วก็ห้ามไม่ได้มันจะตีหัวใครก็ห้ามมันไม่ได้เหมือนกันให้พูดงี้พูดเล่นสนุกๆนะ เอาจริงๆยังจังวิ่งหนีชาบ้านยังไม่ได้เลยไปเถอะเวลานี้เดินไม่เไหวหรอกพูดมันเล่นฟังเพลินๆดีไม่ดีไม่ช้าเขาหาว่าออไอ้ลิงถุงนี่มันเร็วแบบนี้นี่เวลานี้ยังมีคนคดด่ายอยู่คนคดด่าไอ้คนด่านี่ตายไ ป, ไปหลายคนแล้วน่ะวันยิ่ใครเขายิ่งด่ายิงแช่งแบบไหนเขาตายเขาตายแบบนั้น เวลานี้คนนี้กลั่นนี้แกล้งชีพหายไว้ป่วงไปเยอะแยะแล้วทรัพย์สมบัติชีพหายไปเนื้อตายโหงก็ไปก็มีตายก็ไปเกินกว่ายี่สิบคนต่อสองปีเนี่ยในชีพหายกันหนักทรัพย์สมบัติไม่เหลือเลยความจริงไม่ได้ทํามันคดิพหายนั่นมันเป็นความชั่วของเขาก็หาความชีบหายของเขาเองไม่จะไปโทษอาตมาไม่ได้าอาตมาไม่ไรู้เฉยๆใครร่บอกว่าช่างมันช่างมัน เขาบอกว่าท่านเขาคิดจะฆ่าท่นบอกเอ้ยไม่ฆ่าฆ่าเฉันก็ตายไม่ฆ่าก็ตายไอคนจะฆ่าฉันมันก็ตายเหมือนกันแหละคนดีสดมันเสื่อมตายไปก่อนก็ช่างเป็นเรื่องของมันไปแล้ะดีไม่ดีเขาจับลากไปฆ่าตายเสบ้างเอาอยู่อยู่ทรัพย์สมบัติมีเล่นไพ่เล่นโป๊ะจีพายไม่ป่วงไปเข้าหุกเข้าตารางไป อย่าไอคนอยากจนก็ไม่กันนะบอกแล้วบอกอ ย, อย่าจนอย่าจนอย่าอยากจนเลยบอกอยากจนไม่ทันถึงสองเดือนเดือนเดียเศจจนบรรยายนุนผลสุดเข้าคุกเข้าตาร า, างไปนี่ไม่เหยพระแฉงเขาทําของเขาเองไม่เหยพระแฉงพระไม่แฉ่งใครคยกันต่อไปเขาท่านนาสรตถีบอกว่าไม่เมื่อข้าพระองค์ไม่ต้องการเป็นราชา แต่ว่าจะเป็นพระราชาหรือจะเป็นโจรเนี่ยมันท่านเขาตามไม่สามารถจะถือมาเอาได้แม้แต่เส้นด้ายชายผ้าเป็นของข้าพระองค์ได้เพราะว่าถ้าพระองค์ข้าพองค์ไม่พึงจะให้ไม่มีทางได้พระราชาจึงตัดว่าเดี๋ยวฉันจะจัดการฉันจะเอาเดรื่องี้จะถือเอาตามความพอใจของท่าน น้อยเนี่ยเราถือว่าไงพระราชาก็ฉันจะถือเอาตามความจะพอใจของท่านได้อย่างไงมีหมายความว่าในเมื่อของทรัพย์สมบัติมันมีค่านี่ฉันจะไปถือไม่รอให้เจพอใจให้ฉันนั้นไม่มีทางหรอกฉันจะเอาตามใจฉันถ้ามหาเศรษฐีกล่าวว่าข้าแต่สมเด็เทพแต่ความจริงมีต่อหน้าพระพุทธเจ้าแล้วไม่น่าจะหน้าด้านแบบนี้เลยพระราชาเนี่ย ไอ้คนหน้าด้านอย่างพระเจ้าชาติศัตรูเดี๋ยวนี้มันมีบ้างไหมนะมหาษทีกแล้วว่าข้าแต่สมติเทพถ้าอย่างนั้นแหวนยี่สิบวงเหล่านี้ที่นิ้วมือทั้งสิบของข้าพระพุทธเจ้ามีอยู่ม่ยี่สิบวงนี่เอ้มันยังไงนะถ้าจะนิ้วมือสิบวงนิ้วเท้าสิบวงละมั้งเห็นไหม ก็มือมันมีสิบนิ้วใส่สิบวงใส่นิ้วเท้าอีกสิบนิว้วทีง่ไงดูฟังละก่อนแทนเศรษฐีกราทชนว่าข้าแต่สมมติเทพถ้าอย่างนั้นแหวนยี่สิบวงเหล่านี้ที่นิว้วมือทั้งสิบทั้งสิบนิ้วของข้าพระพุทธเจ้ามีอยู่ข้าพระองค์ไม่ปราถนาถวายแหวนเหล่านี้แก่พระองค์ถ้าพระองค์ทรงสามารถแล้วก็ เชิญพระองค์ถือเอาให้ได้เทไปเจ้าขาเอาแล้วก็ท่ากันพระราชาได้ฟังอย่างนั้นประทับนั่งกระยงลุกขนั่งกระยงแม้พระราชาแบบนี้ก็มีด้วยไม่ได้ความจริงถ้าเป็นขั้รายการแบบนี้ถูไล่ออกลุกขึนนั่งกระยงบนพื้นเมื่อจะทรงกระโดดโอ้โหนี่ขนาดขันโดใช่ไนหะ เมื่อยทรงกระโดดก็ย่อมกระโดดสามารถกระโดดได้สูงทั้งสิบแปดศอกเวลาที่ประทับยืนเมื่อทรงกระโดดก็ย่อมจะกระโดดได้ถึงแปดสิบศอกอ๋อถ้านั่งอยู่สามารถจะกระโดดได้กำลังมากโดดทั้งสิบแปดศอกถ้ายืนอยู่แล้วก็โดดได้ทั้งแปดสิบศอกพระราชทารงมีกำลังมากอย่างนี้จิงกระโดดเข้าไปเข้ามาแล้วก็ อโดยเข้ามาข้างน้นบ้างข้างนี้บ้างเอาแล้บาลีนีิยุ่งจริงแล้วก็จิ่งโดยเข้าไปดึงแหวนจากนิ้วแค่นี้พอแล้วแหมว่าเขียงเจกิญแล้วเกินยึ่งโดยเข้าไปแล้วจับแหวนในนิ้วมือดึงดึงไปดึงมาดึงเพื่อจะถอดแหวนแม่สาวงหนึ่งให้ได้เแล้วถ้ามาหาเศรษฐีไม่ว่าอะไรดึงก็ดึงเชิญนั่งเฉย ลำดับนั้นท่านสศีได้กราบทูลกระทาเือ ว, ว่าข้าแต่สมุติเทพขอพระองค์จงทรงลาดผ้าสาด ก, กันดึงไม่ออกพอยง่ายๆก็แล้วกันดึงไม่ก็ดึงไม่ออกท่าเศรษฐีก็บอกว่าขอพระองค์ยาผ้าสาดที่มีราคาแพงวางไวไ้และนำนิ้วทั้งหลายแล้วนำเหุตรง แหวนแม้ทั้งยี่สิบวงจะหลุดออกไปเองแน่พอเราทาอย่างนั้นเสถีก็ทำถ้าไม่ต้องมือรูดแหวนก็หลุดไปทั้งยี่สิบวงลำดับนั้นทัมหาเสถีกล่าวทูลกับท้าถเอว่าข้าแต่สมเกตเทศใครๆไม่สามารถที่จะถือเอาทรัพ์สมบัติอันเป็นของข้าพราะองค์ได้แด้การอย่างนั้นอย่างนี้ ออาแบบไหนมันก็ไม่ได้กระโดดโลดตึงก็ไม่ได้เพราะว่าข้าพระองค์ไม่ปรารถนาจะให้ดังนี้แล้วยิงเกิดความสลดใจแก่พระอริยาบทของพระราชาเห็นั้ยพระราชานี่มีสภาพมันลิงเพราะว่าราชามีสภาพผันเด็กยิ่งประกาศผลว่าข้าแต่สมุทิเทพขอพระองค์จงทรงอนุญาตเพื่อการบวชแก่ข้าพระองค์ พเพราะเศีษฐีนระราชาตังในพ่อตังพระเจ้าพิมพิสารตังท้าเซ่อเธอก็ตรมิว่าเมื่อเศรษฐีนีบบทแล้วเราก็จะยึดเอวราาสัตว์ได้สะดวกจังได้ตรัสว่าถ้าเช่นนั้นท่านยงบทเถิดด้วยพระดำรัสเพียงคําเดียวเท่านั้นท่านเศรษฐีนั้นก็บทในสนักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า แต่ในการต่อมาไม่นานนักก็ได้บรรลุอรหัตผลมีชืช่อวา่าโชติกาเทระในขณะที่ท่นานบรรลุอรหัตผล น, นั่นเองสมบัติทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดก็ อ, อันตรธานหายไปเพราะสิง่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่เกิดมาด้บุญบรรดาพวกเทวิดาก็นำพัญญาเขาจะมหาเศรษฐี น, นั้น มีชื่อว่าสตวน่าสตวละการกายนั่นไปสู่อุตรกรุทวีตเพราะบ้านเดิมเทยอยู่ที่นั่นหมยกันไปพระราชาพุทโลกก็หมดตอนนี้ตามพระบาลีและวิไลสี่นาทีพระบาลีที่วางหกข้อว่าพวกพุทธสุขเข้าใจว่าพระเทยละอุตริมนุสธรรม ท่า น, นกล่าวมาต่อมาวันหนึ่งบรรดาพิสทั้งหลายเรียกพิชชาโชติกาณนั้นมาแล้วถามว่าโชติกาผู้มีอายุก็ตัณหาในบริษัทหมายความอการอยากจะได้คือความต้องการคือความรักในบริษัทที่ประกอบด้วยวิทยแก้วจปตรการหรือว่าในหญิงนั้นของท่านยังมีอยู่หรือ แล้วก็ถามนะพระคนนี้เป็นพระที่เป็นบุตรชนพระอาริยเจา้าที่ไม่โง่แบบนั้นท่านเทีจาเศิษฐีก็ตอบว่ามันไม่มีความรู้สึกแล้วท่านผู้มีอายุทราบสมบัติทั้งหลายก็ดีแม่ัญญาคนดีไม่มีความต้องการในผมผมไม่มีความรู้สึกมันตามพระทั้งหลายแล้วนั้นปากบอลในพระสมัยก่อน พูดยังไม่เข้าใจครัพยากรณ์ความเบญรหรัรนที่ได้กล่าวโทนองค์สมเด็จพระทรงทันว่าพันเตปะคะวะข้าแต่องสมเด็จพระพุทมีพระพ่าเจ้าผู้เจริญพระพุทธเดยียวกันโชคดีการนี้กล่าวไม่จริงพยายากรณ์ตนเป็นอรหรันสมเด็จพระทรงทันยังได้มีพระพุทธฎีกาจัดว่าพิขเระวดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลาย บุครของเราไม่มีตัญหาในบริษาทหรือในหญิงนั่นเลยดังนี้แล้วจึงได้ตัดบาตรได้ค า, าทาว่าผู้ใดละตัญหาได้แล้วในโลกนี้เป็นผู้ไม่มีเรือนเว้นใชได้เราเรียกผู้นั้นซึ่งมีตัญหาพบกินแล้วชื่อว่าเป็นพราม พอจบพระธรรมเทศนาประชาชนไปลมากมีพระปากบอล้ดยก็พาการรมลุอเรียมักรียผลมีพระโสนดาบันประดิษฐ์พระโสนดาบันเป็นต้นอละมันดาท่านพุทธศาสนิกนชนทั้งหลายเรื่องราวของโชติกาเศรษฐีเนี่ยจะมาสร้างมาช้านานเพราะว่าเวลาการไม่มีทำได้นิดหนึ่งหน่อยหนึ่งก็หยุดไป ย้อตั้งพระที่ได้มีหน้าที่บันทึกท่านบอกว่าทำให้จบพระทีเธอชิ่นเวลามาหนึ่งปีแล้วเรื่องก็สั้นก็ไปนั้นว่าวันนี้จบกะทือว่าหมดกรรมกะทีสำหรับเรื่องโชติาเศษ ธ, ธีจบก็ขอท่านทั้งหลายผู้รับฟังผู้มีจิตจริงอุศลขอทุกคนจงพ้นผู้มีโชคลาภในโลกเช่นเดียวกับโชติาเศฐี แล้วขอจงมีมีบุญบารมีเช่นเดียวกับกับโชติกาเศรษฐีคือความไม่ปรารถนาในลาภในความเป็นมหาเศรษฐีมีเพียงใดคอยใจของท่านนั้หลายเท่าถึงความเป็นพระอาตคุณเป็นพระอริยะบุคคลในพุทธศาสนาเช่นเดียวกับโชติกาเศรษฐีจะได้มีความสุขต่อไปสําหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ทพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผล จงมีแดบันดาท่านพุทธสาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี